ส่วนอาสาธารณญาณที่สองนะครับคืออาศยานุสยญาณญาณที่รู้อาสยะและอนุสยะของสัตว์ทั้งหลายนะครับอาศยานุสยญาณของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับเป็นไปโดยอาการแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงแห่งอาสยะเป็นต้นของเหล่าสัตว์โดยในมีอธิว่าบุคคล น, นี้มีกิเลส ด, ดุดทุลีในดวงตาน้อยนะครับบุคคลนี้ มีลัทธิเป็นศาสตะทิฐิบุคคลนี้มีลัทธิเป็นอุดเฉททิฐินะครับอ่อาเพราะยนะว่าถ้าบอกบุคคล น, นี้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อยเป็นต้นนะครับในอินเดียปรโรปริยตญาณนี้ยกมาทั้งหมดได้เลยนะครับไม่ผิดพลาดแน่นอนนะครับเ ข, เขาว่าคือเพราะจุดจุดไว้ใช่ไหมครับเท่ากับรวบยาณะก่อนหน้านั้นมาได้นะครับ พวกนี้เป็นลัทธิศัสตะทิฏฐิหรือว่าคนนี้เป็นลัทธิสายไหนอย่างั้นเถอะนะสายศาสตะทิฏฐิหรือว่าเป็นคนสายอุเฉท ท, ทิฏฐินะหรือว่าบุคคลนี้ตั้งอยู่ในอนุโลมขันติคือเป็นผู้ได้วิปัสสนาญาณหรือว่าบุคคลนี้ตั้งอยู่ในยะถาภูตญาณคือจะบรรลุมรรคยานเนี่ยนะครับหรือว่าบุคคลนี้มีอาสยะคืออัธยาศัยในทางกามหรือว่าไม่มีอัธยาศัยในเนคขมะเลยนะครับถ้าพูดถึงกินเหล้าเมายานี่ม้วนขนาด พูดถึงฟังเทศฟังธรรมก็เฮ้ยงอยเป็นต้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็มีอัธยาศัยในเนคธรรมะชอบฟังธรรมรักษาศีลเป็นต้นดีแม่แต่ไม่มีอัธยาศัยในทางการเลยชวนไปเที่ยวไปเล่นไปอะไรไม่ไปซากอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะนั้น น, นนะนี่ก็คือกล่าวถึงไอ้อาศยะหรืออนุสยะของสัตว์ทั้งหลายบางพวกก็เป็นลักษณะนี้นะครับหรือยังมีอีกนะครับว่า บางคนเนี่ยนะครับการมาราคาเนี่ยมีกําลังรุนแรงแต่ไม่มีปฏิฆะนะกิเลสโลภะนี่แรงมากครับโลภแต่แต่โทสะไม่ค่อยเกิดบางคนเนี่ยปฏิฆะรุนแรงมากแต่กามาราคาไม่กําเริบนะครับนะไม่ไม่มีค่อยมีการมาราคาหรอกครับเพราะมีแต่โทสะอย่างเง้ยนะเช่นในนรกเนี่ยการมาราคาไม่ค่อยมีนะครับเพราะมีแต่โทสะเป็นต้นเนี่ยนะต่อไปนะครับโดยนายเมียที่ว่า ปุญญาพิสังขารของบุคคลนี้ยิ่งแต่ไม่มีอปุญญาพิสังขารไม่มีอเนรชาพิสังขารคือกุศลแจิตเนี่ยเกิดได้บ่อยเกิดดีนะครับแต่ว่าโอ้โหเอาอารูปฌานก็เจริญไม่ได้หรือว่าบาปก็ไม่เคยเกิดเพราะว่าได้แต่ฌานธรรมดาอรูปฌานเป็นต้นเนี่ยนะบางคนนี่ปุญญาพิสังขาร น, นี่ยิ่งโอ้โอากุศลเนี่ยล้นลนเลยบุญไม่ค่อยแทรกเลยนะครับปุญญาพิสังขารเนรชาพิสังขารไม่ไปปะปนเลย บางพวกอาเนนชาพิสังขารเนี่ยยิ่งคืออรูปสมาบัติเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีปุญญาพิสังขารไม่มีปุญญาพิสังขารบางคนนี่ก็กายสุจริเตวจีสุจริเตและมโนสุจริเตนี้ยิ่งนะครับแม้แต่สุจริเตสามนี้คนนี่จเจริญไม่เหมือนกันนะครับบางคนนิยมกายสุจริเตบางคนวจีสุจริเตบางคนนิยมมโ น, นสุจริเตนะครับเช่นพวกที่เดินจงกรมบ่อยๆนี่แสดงว่านิยมกายะนิยมทางกาย พวกที่สาธยายพวกที่พูดนิยมทางวาจาพวกที่นั่งนิ่งๆเงียบๆอันนี้วกนิยมทางใจนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทวารของแต่ละคนก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับอิริยาบดไม่เหมือนกันเป็นต้นนี้ก็บ่งถึงว่าอัธยาศัยแตกต่างกันเหมือนกันหรือบางคนนี่เป็นผู้มีอธิมุดเลวบางคนมีอธิมุดประนิดคือนิสัยดีนิสัยเลวนั่นเองนะครับบางคนก็มีเครื่องกั้นคือกรรมเรียกว่ากรรมมาวอน บุคคลบางคนก็มีกิเลสหาวรมีเครื่องกั้นคือกิเลสบางคนก็มีวิปากาวรนเครื่องกั้นคือวิบากบางคนก็ไม่ประกอบด้วยกรรมมาวนนะครับไม่มีไม่มีเครื่องกั้นคือกรรมเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องกั้นคือกิเลสไม่มีเครื่องกั้นคือวิบากเลยนะครับอันนี้ก็อัธยาสายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นะพระผู้มีพระภาคตรวจสอบตรวจเช็คได้หมดเลยนะครับ โอเรียนความรู้ของพระพุทธเจ้านี่นะครับเราดูว่าเราฝักใฝ่ในปัญญาไหมถ้าฝักใฝ่ในปัญญาฟังและเพลินนะครับถ้าไม่ค่อยฝักใฝ่ในปัญญาก็ฟังแล้วกังงายนะครับโรคเสื่องซึงหมหดหูท้อแท้ถีนาะมิทะอุทจักำเริบหมดนะครับคิดไปไกลโอ้ยมาอยู่เชียงรายแล้วนะครับวัดวารามนี่ไม่ค่อยคิดเลยนะครับคิดไปเรื่อยเปื่อยคนโน้นมาเยี่ยมทีไปเยี่ยมคนนั้นทีเป็นต้นเนี่ยนะครับจิตมันก็ไปเรื่อยนะครับต่อไปนะครับว่าเอา เมื่อกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อนะครับเป็นหมวดย่อยๆของอาศยานุสยยานนะครับทีนี้มาดูพิสดารนะครับอาศยานุสยยานที่ภาษาริบุตรแสดงไว้ในปฏิสัมพิธามักว่าในยานในอาสยและอนุสยของสัตว์ทั้งหลายของพระธรรคตเนี่ยเป็นฉไงในอาศยานุสยยานนี้พระธรรคตย่อมทรงทราบคือ1นะครับรู้อาศยคําว่าอาศยเนี่ยนะครับเป็นชื่อของสันดาน สันดานหรนิสัยอ่ะนะพูดภาษาง่ายนิสัยอ่ะนะอันเป็นมิจฉาทิฐิหรือสัมมาทิฏฐิอบรมแล้วคือเป็นคนมากด้วยสัมมาทิฏฐิหรือมากด้วยมิจฉาทิฏฐิอ่ะนะสันดานเขานะจะพูดง่ายๆนะนิสัยอ่ะนะจะนะาวางั้น <c oughs> ครับแต่ก็ตรงสภาวะดีนะครับสันตานะแปล ว, ว่าสืบเนื่องนะครับหมายถึงความสืบเนื่องอ่ะนะอัธยาศาัยเนี่นะครับ หรือว่าโทษทั้งหลายอันมีกามเป็นต้นคือคือเป็นคนมีนิสัยหมกมุ่นในเรื่องกามหรือว่ามีนิสัยเนคขมะเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าชอบทางพระทางเจ้าไหมหรือว่าชอบทางบาทางบอลอย่างเงี้ยนะก็สังเกตดูนิสัยอันหนึงหรือว่ามาดูอนุสัยว่าอนุสัยนี้เป็นชื่อของกิเลสทั้งหลายมีกามมาราคะเป็นต้นที่มีกําลังแรงกล้านะอนุสัยนี้เป็นชื่อของธามะกิเลสนะครับกิเลสที่มีกําลังมากนะ หรืออนุสัยนี้พอนอนน่ออาจว่านอนเนื่องคําว่านอนเนื่องพ่อหมายคาอว่ายัางละไม่ได้หรือหมายถึงกิเลสที่ได้เหตุสมควรแะเกิดขึ้นอันคําว่าอนุสัยนี้เป็นกิเลสทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับอนุสัยนี้เป็นจิตตสัมปยุตนะครับเป็นกิเลสที่เกิดพร้อมกับจิตนะครับอนุสัยนี้รู้อารมณ์นะครับเพราะมันคือโลภะโลภะมันก็ต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วอนุสัยนี้เป็นสัพยะ ปัจยเทนะคือหมายความว่ามันเป็นไปกับด้วยปัจจัยนะมันเกิดเพราะมีปัจจัยแล้วก็อนุสัยนี้เป็นเอกันตากุสโลหมายความว่ามันเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวนะครับอนุสัยนี่นะครับเป็นกิเลสที่เกิดในอดีตก็มีนะครับเพราะเป็นขันเนี่ยนะเป็นสังขารขันนะเป็นทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันนะครับมันอนุสัยมันไม่ใช่ว่ากิเลสที่ไม่มีไม่เกิดอะไรนะหมายถึงตัวกิเลสอันนั้นแหละเช่นอวิชชาเกิดที่ไหนอ่ะ อวิชาตรงนั้น เ, นเป็นอวิชานุสัยนะครับเพรานะฉะนั้นผู้ที่ต้องการรายละเอียดก็ดูได้จากคัมภีปฏิสัมพิธามักนะครับในอาสยานุสยะยานก็อธิบายว่าดีพอสมควรนะครับหรือไปดูในคัมภีอัตถกถามหานิเทศก็อธิบายไว้พอสมควรหรือว่าไปดูใน อ, อนุสัยยมกะนะครับอัตถกะฐานุสัยยมกะพ่อผมคัดๆเอามาส่วนหนึ่งจากอัตถกถาทั้งหลายเหล่านั้นนะครับ อนุสัเนี่ยฟังสังเกตดูน่าจะเป็นกิเลส ท, ที่เหนียวแน่นหรืออะไรเดียที่มันมันหนักกว่าอาสยะใช่ไหมครับคืออาสยะนี่นะครับบ่งถึงลักษณะของนิสัยนะครับบ่งถึงลักษณะของนิสัยหรือหรือที่เรียกว่าสันตานะเนี่ยนะครับแต่ว่าอนุสัยนี่อะไรมันเกิดบ่อยๆสําหรับคนนั้นอ่ะนะอันนี้เรียกว่าอนุสัยนะครับ คืออาสยะนี่หรืออัธยาศัยนี่นะครับมันมันแคบนะเพราะหมายถึงสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฏฐินะ <c oughs> คือคือถ้าพูดถึงอาสยะนี่หมายว่าเช่นอาสยะบริสุทธิ์นี่นะครับหมายถึงว่าคนนั้นเป็นมีกรรมมศกตาหรือว่ามีสัจจานุโล ม, มิกยาย่างแสดงว่าอาสยะเป็นต้นเขาดีถ้าอาสยะไม่ดีคือเป็นมิจฉาทิฐิครับเป็นอุเชธทิฏฐิหรือเป็นสัสตตาทิฐิ <c oughs> ส่วนอนุสัยหมายถึงว่ากิเลสที่มันเกิดบ่อยๆในตัวคนนั้นเนี่ย มันได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยเช่นบางคนขี้โกรธแสดงว่าปฏิคานู้สัยเกิดบ่อยนะครับถ้าบางคนเนี่ยนะโอ้ยครุ่นคิดแต่เรื่องกามนี่ก็การมาราคาูุสัยนี่เกิดมากบางคนลังเลสงสัยไปเรื่อยอันนี้พวกวิจิกิจฉานู้สัยเกิดบ่อยนะครับไม่ใช่ว่ากิเลส ท, ที่ไม่เกิดนะกิเลส ม, มันเกิดนั่นแหละ เพราะฉะนั้น อ, นอนุสัยนี้บางเจ้าอาธิบายเป็นลักษณะเหมือนกับมันอยู่ช่องว่างสับวางที่ไหนก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอาคุศลเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นมีอนุสัยเกิดร่วมด้วยหมดเลยนะครับหมายคก็ว่ากิเลสที่ได้ปัจจัยแล้วเกิดเลยนะชื่ออนุสัยนะครับเพราะฉะนั้นอนุสัยนั้นเข้าเป็นจิตตะสำปรยุทธ์เขาเกิดร่วมกับจิตนะครับเขาไม่ได้ไปเกิดที่อื่นนะเพราะฉะนั้นในขณะผวังก็ไม่มีอนุสัยเกิดร่วมด้วยอะไรนะครับ แต่ก็ขณะที่จิตเป็นอกุศลเท่านั้นอะ่ะท่านจึงบอกว่าเอกันตากุโสโลนะครับเพราะว่าเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวนะครับก็ดูได้จากคัมภีร์ที่ยกไปเมื่อกี้นะครับคือในอสัทธรรมปกาสีเ น, นี่ยที่1 น, นะครับในคัมภีร์มหาอัตกถานมหานิเทศนิธิที่1 น, นะครับแล้วก็ในอัตกถายามกกะอัตกถายามกกะอภิธรรมปีดกนี่ก็มีอีกที่1 น, นะครับที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องอนุสัยให้เห็นชัดเจนเลยนะครับ ว่าอนุสัยนั้นเป็นจิตตสัมปยุตหมายคือว่ามันเกิดพร้อมกับจิตนะเพราะมันเป็นอากุศลนี่ อ, อนุสัยนี้เป็นสิ่งที่รู้อารมณ์นะเป็นสารมณธรรมอนุสัยนี้เป็นสัพจญาธรรมนะเพราะอนุสัยเนี่ยเกิดจากปัจจัยอนุสัยนี้เป็นเอกราตากุสโลนะมันเป็นอากุศลโดยส่วนเดียวอนุสัยเนี่ยเป็นอดีตก็มีหมายคือว่ากิเลส ท, ที่เคยเกิดนั่นแหละนะ ที่เป็นอนาคตก็มีถ้ามันได้ปัจจัยแล้วมันเกิดในเรื่องอนาคตที่มันกําลังโลภะโทสะอยู่นี้เรียกว่ามันเป็นปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอนุสัยนั้นไม่ใช่สักดิ์ได้ว่านอนเนื่องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับบางกุญแจแปลว่าวตีตัวนอนตามมานะครับถ้ามันตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เป็นปริยุทธาเป็นวีติกมะก็นะแต่ถ้าหากว่าไม่ปริยุทธาไม่วีติกมะมันก็ตีตัวนอนไปอีกนะครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็ว่า ง, งั้นรวัวไปเรื่อยนะไม่ใช่เป็นแบบนั้นเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าขณะที่อากุศลจิตเกิดนั่นแหละขณะนั้นนั่นแหละครับอนุสัยเกิดแล้วครับให้มองเห็นนะครับอธิบายไปอธิบายมามั่วเลยครับ <laughs> ครับคนละเรื่องคนละราวคนละการคนละงานไปเลยนะครับอธิบายหนักๆเข้าไปอีกอา้าวขณะผวังก็มีกิเลสอีกใช่ไหมครับอมองไปพูดไปพูดมาอา้าวผวังก็ยังจะมีกิเลสอีกนะครับปฏิสนธิยังมีกิเลสอีกอะไรก็รวิบากจิตกิริยาจิตก็ยังจะใส่กิเลสไปให้อีกนะครับถ้าเข้าใจไม่ถูกนะ พรัะกิเลสอนุสัยเนี่ยเป็นอกุศลนะครับมันเป็นบาปมันเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้นนะครับแต่ก็ทุกวันนี้ก็ที่บายไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะไม่ได้ค้นเลยนะครับครับอาเหตุกจิตก็ยังจะมีอนุสัยอีกนะครับจริงว่าอนุสัยเป็นอกุศลจะไปเกิดร่วมกับอเหตุกจิตได้ยังไงจะไปเกิดร่วมกับภวังขจิตได้ยังไงจะไปเกิดร่วมกับวิบากจิตกิริยาจิตได้ยังไงนะครับไม่ได้เกิดอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ก็สับสนกันค่อนข้างมากนะครับ เขไม่ได้ค้นจากที่ต่างๆเลยนะครับต่อไปนะชื่อว่าจริตจริตนี่นะครับคืออกุศลกรรมและกุศลกรรมนะครับที่ทําไว้ในชาติก่อนว่าจริตเนี่ยนะว่าของเก่าอ่ะคืออะไรมาเรียกว่าจริตในที่นี้นะจริตในอาสยามนุสยะยานนะจริตในที่อื่นก็อัธยาศัยแต่จริตในที่นี้หมายถึงว่าเออของเก่าเนี่ยมากไปด้วยกุศลหรืออกุศลเนี่ยนะครับ ส่วนอธิมุดของสัตว์ทั้งหลายหมายถึงการปล่อยจิตไปในกุศลและอกุศลในชาตินี้นะของชาตินี้ว่าเป็นคนหนักไปทางกุศลหรืออกุศลเป็นต้นเนี่ยนะปล่อยใจไปเรื่องอะไรมากอ่ะนะปล่อยใจไปเรื่องตลกโบคาหรือปล่อยใจเป็นเรื่องของโลภโทสะโมหะหรือว่ากุศลเป็นต้นอันนี้เรียกว่าอธิมุดนะครับอธิมุดของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นเป็นพัพสัตว์คือผู้จะสมภพคือจะเกิดโดยอริยชาตินะพวกที่จะพวกพักพพระเนี่ยนะคือผู้ควรอ่ะนะ ควรที่จะเกิดโดยอริยชาติผู้ที่เป็นภาชนะรองรับพระธรรมเพราะว่าถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยสมควรแก่การบรรลุอริยมรรคอย่างนี้เรียกว่าภั พ, พสัตภั พ, พสัตนะครับส่วนอภัพภาคก็ตรงกันข้ามนะครับคือไม่สมควรจะเกิดในอริยชาติไม่สมควรได้โสดาปฏิมร์เป็นต้นไม่สมควรเป็นภาชนะรองรับธรรมเพราะไม่มีอุปนิสัยที่สมควรแก่การแทงตลอดมรรคผลอะไรเลยพวกนี้เรียกว่าอาภัพนะครับพวกอภั พ, พภัษณ์นะครับ อันนี้เป็นหัวข้อนะเป็นหัวข้อที่จะอธิบายในอ า, อาสยามานุสยายานันต้องรู้คําว่าอาสยะเนี่ยขอบเขตแค่ไหนอนุสัยขอบเขตแค่ไหนจริตขอบเขตแค่ไหนอธิมุตดแค่ไหนพับพระแค่ไหนอภัพพระแค่ไหนนะครับจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับถ้าทําความเข้าใจไม่ได้ตอนนี้ก็ดูบ่อยๆเอากันแล้วกันนะครับเพราะว่าหนังสือก็ถวายไปแล้วนะครับก็คงไม่ขอคืนนะครับดูๆให้ผมได้บุญบ้างก็ดีนะครับ ออถามว่าก็อาศัยะของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นชนะัยมาดูคําว่าอาศัยะนะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้อาศัยภาวะทิฐิคือตระกูลสัสตต ถ, ถิฏฐิหรือวิภาวะทิฐิตระกูลอุเฉททิฐิก็มีก็คือพวกที่สําคัญว่าโลกเที่ยงบ้างหมายถึงอัตานะตายแล้วเกิดอีกอ่ะลักษณะเนี่ยโลกเที่ยงว่า ง, งั้นบางพวกบอกโลกไม่เที่ยงก็คือพวกศูนย์นั่นเองนะครับบางพวกบอกโลกไม่มีที่สุด คือไอ้โลกไม่มีที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับพวกเจริญกระสินทั้งหลายเนี่ยนะเป็นสามารถเป็นได้ทั้งสัตตถิติและอุเฉททิติหรือบางเจ้าบอกว่าโลกไม่มีที่สุดนะพวกนี้ก็เป็นทั้งสัตตถิติหรืออุเฉทถิฐิส่วนบางพวกบอกชีพอันนั้นสิริรักษ์ก่อนนั้นแหละอันเดียวกันนั่นแหละนะกายอันใดวิญญาณก่อนนั้นมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละพวกนี้ก็เป็นอุเฉททิติบางพวกก็ชีพอันอื่นสรีระกษ่ออันอื่นชีพก็อย่างหนึ่งร่างกายก็อย่างหนึ่งนะอ่าพวกนี้ก็สัต บางพวกก็บอกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกคือตายแล้วมันเกิดอีกนะพวกนี้สัตตตถิธินะครับบางพวกบอกว่าสัตว์แต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกพวกนี้เป็นอุดเฉททิธินะครับบางพวกบอกว่าเบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มีพวกนี้ตระกูลเอกัตจะสัตตตถิธินะครับบางพวกบอกว่าสัตว์ เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกก็หาไม่ได้ไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้พวกนี้ก็คือพวกปลไหลนะครับอมราวิเขปะทิถิพวกดินไม่ตายตัวท่านบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะนะคือลักษณะของพวกปลาไลทั้งหลายและนะครับอาจารย์สรรชัยสมัยพุทธกาลนี้เขาเด็ดนะครื่งนี้เออท่านท่านว่า อันนี้เป็นกุศลใช่ไหมบอกว่าถ้าข้าพเจ้าเห็นว่ากุศลข้าพเจ้าก็ตอบว่ากุศลถ้าข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นกุศลข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นกุศลอ้าวแล้วมันเป็นยังไงนะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไมหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะเขาก็จะมีลักษณะเนี้ยนันเขาก็เป็นวาทะน่าดูเหมือนกันนะครับดูในสามัญญผลสูตรก็ม่วนดีเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ไปดูในอ่าพรหมชาลสูตรนะครับ ผมว่าเราฟังดูก็ดูเหมือนตื้นๆแต่จริงๆคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับงั้นภาษารีบุตรคงจะไม่ไปอยู่ด้วยนะเพราะว่ามันก็คงมีอะไรที่ลึกซึ้งอยู่ตรงนั้นนั่นนะครับแต่ภาษารีบุตรเรียนอยู่ไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันเองงั้เรียนไม่กี่วันก็จบหมดแหละก็ไม่น่าจะเอ๊ยเชื่อเสียงก็โด่งดังออกนะเอาก็ดังนี่นะครับก็แก่ผ้าก็ายังดังเลยอย่านั้นะ แต่ว่าเขาเรียนแต่ที่นี้ภาษาริบุตรเป็นคนกระตันอยู่นะครับเรียนก็อยู่ด้วยไปแต่ไม่ชอบแล้วล่ะก็แต่ก็อาศัยว่าอยู่สํานักนี้ก็อยู่ไปแต่กลางวันก็ก็ไปเที่ยวหาครูอาจารย์ไปเรื่อยนะครับแต่ก็อา ศ, าศาัยพักอยู่ที่นั่นเฉยๆแต่ว่าเรียนนี้ไม่นานก็จบหมดแล้วจบตั้งแต่ไม่กี่วันแล้วคือสมัยนั้นเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับก็คือเขายอมรับกันว่าดีก็เลยเข้าไป แต่ทีนี้เข้าไปก็เข้าไปอยู่ไม่กี่วันก็รู้แล้วว่าไม่มีสาระอะไรเพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่ได้ยินดีแต่ก็เหมือนกับที่พักอ่ะนะเหมือนกับมีโรงแรมอยู่ตรงนั้นเหมือนกับบ้านพักแล้วอะ่ะแต่ว่ากลางวันก็ไม่ได้อยู่ก็เที่ยวตะเวนหาครูอาจารย์ไปเรื่อยนะครับก็ถึงกับแยกย้ายกับพระมหาโมคคลานะหาอาจารย์กันอ่ะนะสมัยนั้นะนะครับอ่าทีนี้ดูนะครับว่าในทิฐิทั้ง10ข้อที่ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือลักษณะของทิฏฐิหกสิบสนั่นเองนะครับ ทิฏฐิหกนะไปขยายพวกนี้จะเป็นทิฏฐิหกสทันทีในทิฏฐิทั้ง62นี่ถ้ามีใครไปถามว่าพระพุทธเจ้า ว, ว่าโลกเที่ยงใช่ไหมหรือว่าโลกไม่เที่ยงใช่ไหมโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดเป็นต้นเนี่ยพระองค์ไม่พยากรณ์นะครับพระองค์ไม่พยากรณ์เพราะถ้าพยากรณ์อย่างใดยอย่างหนึ่งเข้าไปก็จะเป็นทิฏฐิอย่างนั้นอย่างใดยอย่างหนึ่งเพราะพระองค์จะแสดงธรรมะสายกลางเท่านั้นนะครับพอมีสิ่งนี้สิ่งนี้จริงนี้นะครับ พระองค์แสงก็เป็นกรร ม, มาวาทีเป็นกิริยาวาทีเป็นต้นนะครับพระองค์ก็จะแสดงเรื่องนั้นๆไปพระองค์ยังไม่มาเสียเวลาตอบปัญหาเหล่านี้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรครับเป็นทิฏฐินนะทิฏฐิเป็นสังขารธรรมนะครับทิฏฐิเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยนะครับฉะนั้นพระองค์นี่รู้เหตุเกิดของทิฏฐิ funciona, รู้ความดับของทิฏฐิรู้อัศทะของทิฏฐิรู้อาทีนวะของทิฏฐิรู้นิสรณ ะ, ะของทิฏฐิ ทีนี้ถามว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของทิฏฐินะครับฐานะของทิฏฐิก็ทิฏฐินั่นแหละครับเป็นเหตุให้ทิฏฐิเกิดขึ้นหรือว่าขันก็เป็นเหตุเกิดของทิฏฐินะครับอวิชาก็เป็นเหตุแห่งทิฏฐิตันหาก็เป็นเหตุแห่งทิฏฐิสัญญาก็เป็นเหตุของทิฏฐิวิตกก็เป็นเหตุของทิฏฐินะครับเพราะฉะนั้นปาปามิตรก็เป็นเหตุของมิจฉาทิฏฐิหรือว่าการฟัง อาสาธรรมนะครับการฟังคําพูดของอาสาบุรุษทั้งหลายก็เป็นเหตุของทิฏฐิสิ่งเหล่านี้เป็นฐานะเพื่อความเกิดขึ้นของทิฏฐินะครับเสร็จแล้วพระองค์ก็ยังรู้ความดับของทิฏฐินะเออความดับของทิฏฐิจะดับโดยเป็นสมุทเฉทถปหารจริงๆก็โสดาปิตมักนะแต่ข้อปฏิบัติเริ่มเริ่มรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นก็ละทิฏฐิแบบแต่ทางค้าปะหารแต่จะละได้เป็นสมุทเฉทจริงๆก็ที่โสดาปิตมัคนะครับแต่ทิฏฐิเหล่านี้ก็มีอาสาทะนะครับ อาสาท่าคือความน่าเพลิดเพลินความน่ายินดีของเจ้ารัตที่ทั้งหลายก็คือมีลาบสการะมีชื่อเสียงมีคนนับถือจะได้พวกปัจใจสี่เป็นต้นเนี่ยครับนี่เป็นอาสาท่ของทิฏฐินะครับพอหากว่าประกาศรัตที่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคนเกิดชอบใจนะครับโอ้โหเป็นที่ไหลมาเทมาของแกววนเงินทองเป็นต้นนะครับชื่อเสียงทั้งหลายแหละเนี่ยก็น่นาจอสาท่าถามโทษละ่ะโทษของมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้นี่นะครับโอ้โหเพราะโทษเนี่ยนะครับต้องไปประพฤติวัด ปฏิบัติที่เป็นไปตามแนวทิฏฐิโดยรับความทุกข์ความยากความลําบากหรือว่าทิฏฐิเหล่านี้นี่นะครับบําเพ็ญแล้วมีคติสองคือนรกกับเดรชานบางแห่งก็บอกว่าเปรตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนรกเปรตและก็เดรฉานนี้เป็นที่ไปของมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าจะนิสรณะจะสละออกได้จริงๆก็โสดาปติมาร์อาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็สลัดออกจากมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้โดยสมุทเชทประหารนะครับ พระฉะนพระองค์นี้รู้จักทิฏฐิเหตุเกิดของทิฏฐิความดับทิฏฐิอัศทะทิฏฐิอาทีนวะของทิฏฐินิสระของทิฏฐิได้หมดแล้วพระองค์ก็เลยเห็นว่าทิฏฐิก็เป็นสังขารธรรมชนิดหนึ่งไม่น่ายึดมั่นถือมั่นอะไรนะครับเกิดจากปัจจัยก็ไม่เที่ยงนะครับเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังโรคซ้อนนะครับเป็นกันดานเป็นโอคะนะครับเป็นโยคะเป็นคันทะเป็นอนุสัยด้วยเป็นสังโยชดด้วยเป็นกิเลสด้วยมีทุกข์มีโทษนะครับ เป็นไปแก่โทษทั้งโลกนี้เป็นไปมีทุกโทษทั้งโลกหน้าเป็นเป็นต้นนี่นะพระ อ, องค์รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็รู้ถึงว่าสัตว์นั้นๆเนี่ยมีนิสัยมีทิฏฐิยังไงยังไงพระ อ, องค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดนี้เรียกว่าพระ อ, องค์รู้อาสัยะของสัตว์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในฝ่ายไม่ดีก่อนนะครับขอโอกาสครับจะขอให้นายอาจารย์ช่วยชี้แจงตรงนี้นิดนึงคือเกี่ยวกับเรื่องที่พระ อ, องค์ไม่พยากรณ์ ทิฏฐิหกิบสองเนี่ยที่บอกว่าเมื่อพยากรณ์ทิฏฐิอย่างหนึ่งก็จะไปเข้ากับฝ่ายอีกอย่างหนึ่งทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าอยู่บนพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐินะครับก็ไม่ต่อไม่ไม่ไม่ต่อนะครับอยู่บนหลักการที่ผิดนะเนะี่ยเขาอยู่บนหลักการของมิจฉาทิฏฐินะครับพออยู่บนหลักการของมิจฉาทิฏฐิจะไม่ต่อไอโอปมามะไงเนี่ คือเขาเข้าใจเรื่องนั้นผิดนะนะเขาเข้าใจเรื่องนั้นผิดแล้วเขาก็มาถามนะครับเหมือนเขาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งอะนะเขารู้จักชื่อหนังสือมันผิดอะนะแต่เขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันอยู่ในเรื่องนี้นะถามว่าเราจะตอบยังไงหนังสือก็หยิบเล่มผิดมาตั้งแต่แรกแล้วนะมันมันเข้าใจผิดอ่ะเอางี้ก่อนนะเขาเข้าใจว่าเอสัตว์เขาเข้าใจว่าลัทธิของเขาว่าเป็นสัตว์ก่อนเสร็จแล้วเขาคิดว่าสัตว์นี่มันเที่ยงสัตว์เนี้ยศูนย์เขาเข้าใจอย่างนี้นะ พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นสัตว์นะพงษ์บอกว่าเป็นขันพงษ์ก็มาแยกว่ารูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นสัตว์เอาก็มันไม่ใช่สัตว์อะ่ะเมื่อไม่ใช่สัตว์จะยืนอยู่บนคําว่าสัตว์ทําไมเมื่อยืนอยู่บนสัตว์ปับ๊บมันก็เที่ยงและศูนย์เป็นต้นนั่นเองนะครับที่อาจารย์เคยบอกว่าคนที่เป็นเนืยตาวิา่ฉาติถิเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็แก้ไขไม่ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าไปไปพูดไปอธิบายเขาเขายังไงเขาก็ไม่ยอมรับอาจจะ ถ้าเราถ้าพระองค์ตอบไปในแง่หนึ่งซึ่งมันขัดกับความเห็นเขาเขาก็จะไปไม่ชอบพระพุทธเจ้าว่าอมีความคิดความเห็นแตกต่างอย่างเขาเขาก็เบื่อนนายหันหน้าหนีไปเลยเกิดถ้าเขามาตอบพระพุทธเจ้าตอบในเชิงที่ตรงกับทิฐิของเขาเขาก็จะเอาไปคุยโอโฆษณาว่าพระพุทธเจ้าก็มีทิฐิเหมือนเหมือนพวกตัวเองที่รู้ที่สอนกันนั่นแหละอะไรอย่างต่ำตรงนี้หรือเปล่าครับ เช่นนะพวกที่เป็นอุเฉทธิฏฐินะถ้าพระพุทธเจ้าไปบอกว่าโอ้ยไม่เที่ยงล็อกไม่มีอะไรเที่ยงล็อกอันนี้เข้าของเขาใช่ไหมนะหรือถ้าบอกว่าพวกศสาทิทีเนี่ยนะไปพูดว่า น, นิพพานเนี่ยเที่ยงนะมันก็เข้าของเขาอีกอะ่ะเพราะเขาเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปชี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ผิดหมดเลยอ่ะนะ เพราะฉะนั้นต้องแก้ก่อนว่าทิศที่ของคุณเนี่ยคืออะไรไที่บอกว่าศาสต ร, ร์หรือโลกของคุณเนี่ยคืออะไรก่อนก็มาขยายให้มาละเอียดแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเพราะเขายือนอยู่บนหลักการที่มันผิดอ น, นะอ น, นะเสร็จแล้วสมมุติว่ามันมันกรรมมือเปล่านะสมมุตินะในในกรรมมือผมเนี่ยมีเป็นกรรมมือเปล่าแต่เขาเข้าใจว่าในนี้เนี่ยมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งเสร็จแล้วมาคุยกันว่าเพชรเนี่ยสีขาวหรือสีแดงนะครับ ไอ้กำมือเปล่านี่นะเรามาคุยว่ามีเพชรอยู่ในนี้นะเซนเราบอกว่าเพชรเนี่ยสีขาวนะบอกไม่ใช่เพชรสีแดงสิแล้วคุณเข้าใจว่าเพชรสีขาวหรือสีแดงอย่างเงี้ยแล้วตอบว่าไงอ่ะมันไม่มีอ่ะมันมันไม่มีสัตว์เนี่ยนะจะไปบอกว่ามันเที่ยงมันศูนย์ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งอไอ้ที่สัตว์ของคุณเนี่ยรูปใช่ไหมเป็นสัตว์เวทนาใช่ไหมสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นต้นใช่ไหมสัตว์เอาคุณว่าสัตว์เอาแล้วสัตว์มาเที่ยงมาศูนได้ยังไงอะ่ะว่าสัตว์ไม่มีนี่ แต่อาศัยขันห้าแล้วบัญญัติว่าสัตว์เนี่ยได้แต่อันที่จริงเนี่ยสัตว์ไม่มีอยู่จริงหรอกนะครับสัตว์ไม่มีอยู่จริงๆแต่อาศัยผมขนเล็บเป็นต้นมาประชุมกันเป็นต้นเนี่ยจึงเรียกว่าสัตว์แต่ว่ า, าทักถามหาโดยความเป็นสัตว์จริงๆหาไม่มีแต่รวมๆแล้วจึงเรียกว่าเป็นสัตว์เป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักการของมิจฉาทิฐิฐไม่ได้อยู่บนหลักการของความจริงนะครับ เมื่อไม่อยู่บนหลักการของความจริงติดตามไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเสียเวลาเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นเราไปคล้อยตามเขาไม่ได้พวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายแหล่นี่นะครับไม่ต่างอะไรจากคนไข้โรคจิตนะครับฟังไปเถอะครับเขาบอกว่าหมอจิตแพทย์เนี่ยนะเขาบอกว่าให้หูมันได้ยินเฉยๆนะครับไม่ต้องไปคิดตามเขาถ้าคิดตามเขานะเปอร์เซ็นเที้ยนเนี่ยสูงนะ จิตแพทย์ก็เพี้ยนนะครับถ้าหาว่าติดตามเรื่องนะรับฟังแนะซับเอาข้อมูลเข้ามาหมดเนี่ยจิตแพทย์จะเพี้ยนเองดันั้นจิตแพทย์จะได้ยินแต่เสียงเฉยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเขาพูดเรื่องอะไรไปยังไงเนี่ยนะครับแต่ถ้าจิตแพทย์คนไหนรับรู้หมดนุ้ยโ อ, ยโอย้ไปทุกเรื่องนะครับไม่นานจิตแพทย์คนนั้นเนี่ยใกล้เพี้ยนลนะจิตแพทย์ครัขออนาสครับมีจารัติเจ้ารัติอุสเกจเจารทติหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่า อะไรเอามีแาาดแทงแล้วก็ทาแตบถาดอะไ ร, รก็ถาดชำระคลาดเป็นต้นอ น, นะนะตัวนี้นก็สายอุเชททิฏฐินะครับพวกนี้สายอุเชททิฏฐิกรรมสกตาไม่มีอะไรนะครับดังนั้นเราจึงรัฐที่เหล่านั้นนนั้จึงไม่คู่ควรกับการเอามาคิดนะครับเอามาเพ่งต่อนะว่าอะไรมีอยู่ในนั้นบ้างเช่นเขาบอกว่าเสาเนี่นะเออมันมีเพชรอยู่ในเสาเนี่นะคุณลองทายซิว่าเพชรเนี่ยมันขาวหรือมันแดงเนี่ยมันเขียวหรือมันเหลืองอย่างเงี้ย ใครไปเพี้ยนตามก็เวอร์ใหญ่เลยนะครับสมมุติว่าเออมีระครังนะเขาบอกว่าในระครังเนี่ยนะมันมีคนอยู่ในนั้นนะเป็นร้องครางมานะเวลามีใครไปเข้าในะคนที่อยู่ในระครังนะั้นมันจะร้องออกมามันแตนี้เออถามว่าเขาเป็นหญิงหรือเป็นชายถามว่าตอบไงครับเฮ้ยบ้านเนี่ยไปคุยตามได้ยังไงเหมือ น, นเนี่ยนี่ก็เหมือนกันลัที่ของมิจฉาทิฐิ น, นะครับไปคุยตามเราก็เพี้ยนนะพระองค์จึงไม่พยากรณ์เรื่องนี้เลยนะครับไม่พูดนะครับใช่นะเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นพยากรปัญหาสี่อย่างนะครับบางอย่างก็พยากรโดยส่วนเดียวบางอย่างก็แยกพยากรบางอย่างก็ทวนถามแล้วพยากรบางอย่างก็เฉยซะไม่ตอบเลยนะครับอันนั้นประเภทคําถามประเภทเนี้ยพระองค์ไม่ตอบเลยนะครับเอออาจารย์บามูดพูดเมื่อกี้ว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยไม่บาปบอกเพราะว่าก็แค่เอาเนี่ยเอาเอาเอาเอาท่าเข้าไปแทรกในท่าหรือเข้าไปในหวังรูปกราบอย่างเงี้ยเพราะว่า แสดงว่าเรื่องรูปประมาดเรื่องอะไรพวกนี้เขาเข้าเรียนรู้เขาเข้าใจกันเนาะก็เหมือนกับนี่นะครับสมัยใหม่นี่นะครับเหมือนกับบางคนบอกทําแท้งเนนะเพราะเนื่องจากพวกนี้จะจะเรียนวิชาเพราะมาแยกไปแยกมามันก็เหลือแต่เซลล์เหลือแต่อานูเหลือแต่ยีนหรือแต่ dna เหลือแต่พวกนี้นะครับผ่าไปมาๆเนี่ยเอาพิการฆ่าเลยไม่บาปนะพวกนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเขาบอกจริงๆเล่าว่าหมอบางกลุ่มก็ส่งเสริมการทําแท้งนะครับ บอกบางกลุ่มก็ส่งเสริมการฆ่านะครับเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้พวกที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับพวกที่ที่เข้าใจผิดที่เป็นอุเฉตทิฏฐิก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเรียนแล้วสุดตรงนะครับก็ลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยพระองค์ไม่ตามนะครับไม่ตามเข้าไปนะ